หกหลักเกณฑ์การพิจารณาพระอริยะวงเล็บเปิดสิบากรกฎาคม25งพห้าเอในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดใครจะเป็นพระอริยนะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ยังมีคนบางคนดูอะไรได้นิดนิ ด, นดหน่อยหน่อยบูบ บ, บวบวบบบอกว่าเป็นพระอริยะแล้วเวลาคนประกาศตนเป็นพระอริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวางหลักเกณฑ์เอาไว้ให้ บอกว่าถ้าเพื่อนสหธรรมมิกประกาศตนเป็นพระอรหันต์เป็นอะไรอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งคัดค้านไม่ให้ค้านด้วยนะไม่ให้เชื่อด้วยแต่ให้สอบสวนดูให้ตรวจสอบธรรมะดูธรรมะที่รู้ที่เข้าใจนั้นน่ะสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเสียก่อนฉะนั้นเราต้องศึกษานะไม่ใช่ไม่ศึกษาโมเมภาวนาวุบุบ ว, า บ, วาบก็บรรลุแล้วไม่ใช่นะ ทุกวันนี้พระโสดาเถื่อนเยอะพระสกิทาคาอนาคาอารหันเถื่อนเยอะอรหันตัวจริงมีไหมไม่รู้เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์คนที่มีสิทธิ์พยากรณ์คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนที่เหลือเนี่ยเราจะพูดกันแค่ว่าจิตใจยังถูกกิเลสย้อมได้ไหมเท่านั้นเองอย่างพ้นกิเลสหรือยังหรือยังไม่พ้นกิเลสดูกันแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแขวนป้ายหรอกว่าชั้นนั้นชั้นนี้แขวนก็แขวนเอาเองนะ พระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรให้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อใครบอกอย่างคนชอบไปลือกันนะมีคนส่งจดหมายเวียนจดหมายลูกโซ่ทางอินเทอร์เนต็ตอีเมลอะไรพวกนี้ดีนะไม่ได้บอกว่าถ้าไม่ส่งต่อแล้วจะตายในเจวันบอกว่ายุคนี้มีพระอรหันต์ที่ยังดำรงขันอยู่ 1,2,3,4 จุดๆๆนะมีหลวงพ่อด้วยเบอร์สองเบอร์สามอะไรเนี่ยมันจะบ้าแล้ว ใครสั่งใครสอนให้คิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะเราอย่าไปทําอะไรอย่างนั้นเรารู้ไม่ได้หรอกใครเป็นใครไม่เป็นได้แต่เดาเอาเดาผิดเดาถูกไม่รู้หรอกเดาเสร็จแล้วเชื่อเองงมงายเองไม่พอพยายามแพร่ความงมงายออกไปอีกฉะนั้นเราอย่าไปตื่นพระอริยะอย่าไปเชื่อนะว่าใครบรรลุรวมทั้งหลวงพ่อด้วยต้องดูว่าท่านหมดจดจากกิเลสไหมซึ่งเราจะรู้ได้หรือเปล่าว่าใครหมดจดจากกิเลสเราไม่รู้หรอก ท่านน่ะรู้เฉพาะองค์ของท่านครูบาอาจารย์ที่บริสุทธิ์หมดจดก็ยังมีในใสายตาหลวงพ่อก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเราไม่ห้าวหาญไปบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ได้หรอกเมื่อก่อนโน้นเคยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อก็เคยไปกราบท่านท่านก็ดีของท่านจริงๆเราก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์นี่บอกว่าเชื่อนะไม่ใช่บอกว่ายืนยันยืนยันไม่ได้มันแค่เชื่อเอาคือครูบาพรหมจักวัดพระพุทธบาทตากผ้า ครูบาพรหมมาจากองน์นี้ท่านภาวนาดีวันหนึ่งคนไปถามท่านว่าหลวงปู่เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมท่านก็หันมามองหน้าท่านบอกเป็นพระอรหันต์ที่โลกทิพตั้งหนังสือโลกทิพต์เขาตั้งให้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าตั้งอีกองค์หนึ่งคนไปถามท่านเป็นพระอรหันต์หรือคือหลวงพ่อเกษมท่านบอกท่านเป็นพระอรหันตตาตาท่านหันไปหันมาทางเหนือเขาเรียกพระอรหันตตาฉะนั้นอย่า ง, งมงายอย่าตื่นเราต้องศึกษาของเราเอง แล้วเราถึงจะมั่นใจว่าคําสอนไหนพาเราพ้นทุกได้คําสอนไหนพาให้งมงายคําสอนที่จะพาให้เราพ้นทุกนะเปิดเผยกระจ่างแจ่มแจ้งฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าเปิดเผยแจ่มแจ้งกระจ่างเวลาคนเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วจะอุทานแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนเปิดของความให้หงายเหมือนจุดโคมไฟขึ้นโดยหวังว่าคนซึ่งตามไม่บอดจะมองเห็นเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้ากระจ่างชัดเจน ถ้าเมื่อไรธรรมะนั้นแบบเชื่ออาจารย์นะลากๆจูงๆไปเวลาไปเรียนอาจารย์จะบอกอะไรแล้วก็ทำงมงายตามไปเรื่อยลากๆจูงๆไปอาจารย์บอกว่าช่วงนี้ไปกินลูกเดือยอะไรอย่างนี้ช่วงนี้มากินมะพร้าวห้าวนะอาจารย์บอกทำอย่างโน้อนอย่างนี้นี่เธอต้องบริกรรมคำนี้คำอื่นไม่ได้นะอย่าไปบอกคนอื่นด้วยต้องทาอย่างโน้นต้องทาอย่างนี้คล้ายๆเราเป็นคนตาบอดแล้วแต่เขาจะจูงไป แล้วแต่เขาจะจูงไปไม่ได้นะเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าใครเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นใครเป็นพระอริยะหรือไม่เป็นคนที่เรานับถือว่าเป็นครูบาอาจารย์อาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้มันจะเข้าขายคนตาบอดจูงคนตาบอด